ธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าพ่อไว้ใจภัยจึงตามมาเมื่อวาน วันเกิดหลวงพ่อสดหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปพอมาเหนื่อยขึ้นมาจากกรุงเทพมาถึงวัดแล้วพอ่อจะว่านลืมก็ใช่พอมาพระก็ไม่ได้บอกแต่หลวงพ่อบอกรูก่อนนะคี่ว่าวันเกิดหลวงพ่อสดจะเสร็จแต่วันที่สิบเจ็ดตามไม่จริง 17, สิบเจ็ดสวดมลเย็นสิบแปดตักบาทฉันเช้าฮะ หลวงพ่อกมาันเย็นวันที่สิบเจ็ดกลางคืนพอมาแล้วก็ฝนตกที่วัดติด่างหาทั้งลมด้วยลมแรงด้วยนะแต่ทําออกไปถามข้างนอกไม่มีลมฮแต่อยู่ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยลมแรงเย็นวันที่สิบเจ็ดมิถุนาห้าห้าหลวงพ่อเกือบขึ้นกุฏิไม่ได้นะพอมาถึงสลาอูทําไมลมแรงขนาดนี้กลัวกิ่งไม้จะหล่นก็เท่ากัน แต่ไม่กลัวอะไรหรอลมขนาดในต้นไม้โคนคงจะไม่โคนแต่กิ่งไม้แห้งนั่นในต้องระวังอีกเหมือนกันแต่ก็เป็นที่พอใจที่ทอดผ้าป่าพออพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทธาโตเมื่อวันที่สิบเจ็ดช้า ว, วันที่สิบเจ็ดก็พระสงฆ์และคณะสัทธา ญ, ญาติโยมให้ความสนใจพอสมควรได้ปัจจัย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 เกี่ยวกับหัวใจอกีกแล้วเราก็ต้องไปคุมไปดูแลนอกพื้นที่อีกคือในพื้นที่ก็คือหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นแต่ที่นี้พระที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องไปนอนที่ตึกหัวใจเองหมู่นี้ที่ตัวนี้ก็คงจะคุ้มครองไปถึงพระที่ไปนอนตึกเศรษฐ ก, กิจตึกหัวใจอีกเนีย่ยที่เขาประกาศในวันนั้นหลวงพ่ออืม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 แต่หลวงพ่อในานามเจ้าของบัญชีนะหลวงพ่อเซ็นไว้ให้ที่บัญชีออมทรัพย์ที่เงินไหลเข้ามา ใ, ใช้ให้เกิดประโยชน์เนอะอันนี้ก็เรื่องการเงินการทองเนะี่มันก็อย่างว่าอีกเหมือนกันถ้าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจริงๆถ้าไม่มีคุณธรรมในจิตใจจริงๆมันไม่ใจกันลําบากเหมือนกันแต่บางครั้ง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 แล้วจะไม่ไว้ใจก็ไม่ได้ทาไมไว้ใจก็ไม่ไว้ใ จ, จแสดงว่าเขาผู้อยู่ใกล้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าระแวงแคลงใจกันอยู่งานก็ไม่เดินอีกเหมือนกันแต่ถ้าเราไว้ใจจนเกินไปก็ทําให้เรามัวบองมากกว่านั้นก็เสียหายได้อีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ปอบ ร, รอบคอบ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 เว้นเสียแต่พระอรหันต์กรรมราบปดแล้วใจพระอรหันต์คือใจบริสุทธิ์ใจไม่มีเกลเอะโรคโกรธหลงไม่มีในใจฉันทากติโทสกติโมหากติพยาคติอักติสีไม่มีในพระอรหันต์แต่นอกจากนั้นมาถึงจะเป็นผู้ถือกฎหมายกระเถอดจำว่าผีภาคษาอายการยุติธรรมขนาดไหนเถอด แต่ถ้าว่ากิเลสเขาอยู่ยังอยู่ในใจแล้วความอาัจฉริธรรมเนี่ยมันต้องมีอยู่ในใจมันต้องมีอยู่ในนั้นพรอยุติธรรมคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมอัจฉริธรรมเนี่ยคือมีอัคนมนาเนี่ยแปลว่าความไม่ยุติธรรมก็มีอยู่ในนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะอยู่ในใจของผู้ถือกฎหมายนั้นนี่นะบ่าอาัจฉริธรรม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 อย่างพระหันสุขะวิปัสโกท่านรู้แต่ว่าใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระหันท่านไม่รู้เรื่องอดีตอนาคตรู้ว่าใจของท่านบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วอันนี้คือพระหันสุขะวิปัสโกที่ว่าเดินวิปัสนาและเดินปัญญาล้วนทนาดอันนี้เตวิโชสลาพิญโยปฏิสัมพิทั ป, ปัตโต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 ยาณทัศ น, นะของท่านอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านกลางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คงจะเห็นใจคนนั้นคิดอย่างนี้ใจคนนั้นคิดอย่างนี้ท่านคงจะเบื่อเบียนปวดเสียนเวียนก้าวเหมือนกันนะเผลอจะอาเจียนอยู่ตลอดก็ได้เพราะเหตุกิเลสของคนอยู่ในใจค น, น ค, นน ค, นนคนหนึ่งโลภขึ้นลงโกรธขึ้นลงหลงขึ้นราคะคึ้นลงโทสะขึ้นลงโมหะใจของพุทุชนมันใจัยก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านคงจะไม่ ถ้าเป็นเสือหรือเป็นแมวทั้งก็คงจะหุบเล็บไว้ก่อนอยู่ในอุ้งมือของท่านแต่พอเห็นอะไรเกิดขึ้นะท่านคงจะกางเล็บดูนะหรือว่ากางโจเรดาร์ดูเออมันเป็นอะไรเรื่องนี้วะท่านคงจะใช้ย า, นาณนทัศนะของท่านแต่ทางปกติแล้วท่านก็คงจะเก็บเงียบงคงจะรู้ในพระไทยใจของท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอันนั้นกับเป็นเรื่องของเด็กทั้งหลายทั้งปวงเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งปวง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 เวลาองค์หนึ่งพอถึงเวลาบ่ายองคหนึ่งก็ไปต้มน้ำไปต้มน้ำน้ำสง่งแต่ทุกอย่างมันเอาเปรียบมาตลอดแล้วละ่ะแต่เรื่องนี้ก็ยังเอาเปรียบอีกองนี้ไปต้มน้ำพอไปต้มน้ำองนี้ก็ตื่นขึ้นมาไปพักผ่อนตื่นแล้วมามองเห็นน้ำในหมอกมีควันฉลุยขึ้นมาแล้วก็นนี่แหล ะ, ละเข้าไปกราบพระมหาเทระพระมหากัจสป่ ขอาการท่านจะมาทุกวันนี้ก่อนขอาการครับหลวงปู่ครับผมต้มน้ำเดือดแล้วครับทีนี้ก็องค์ปู่เออได้เวลาส่งน้ำเออไปไปส่งน้ำไปส่งน้ำเสร็จแล้วก็วันลงขึ้นก็ททำอย่างเก่าแต่องค์ที่ทำงา น, นเนี่ยทำยังไงว่จะแก้เผ็ดองค์นหว่าผลนีสุดก็เลยไปบอก พอไปต้มน้ําเสร็จแล้วก็เอไปตักน้ําออกให้หมดป่ะ เ, เอาเทน้ำบ อ, อกให้หมดยังเหลือน้ําอยู่นิดน้อยนิดนึงก็ถอยไฟเอาไว้พอได้องค์นั่เห็นฟันสลุยขึ้นมาอีกองค์นี้ก็ไปบอกอีกล้มปูครับเนี่ยผมต้มน้ําเสร็จแล้วครับมีมนล้งปูไปส่งน้ําครับส่งน้ําอุ่นส่งน้าร้อนเพราะอายุมากอนะอินเดี ย, ยทีนี้ก็พอไปแต่เนี่ย องนั้นไม่ได้สนนะบางองไม่ไปกันนะั่นแป็นเจ้ากี้เจา้าการไปกันล้วงกระบวยลงไปไปสูตรถังน้ำนะํำมันไม่มีน้ํำเลยเลยระดังโกกรากไปนลยนะทีนี้ขบวนพุมพุมพำพำ ม, มาเลยนะเอ๊ะมันทาอย่างนี้ทําได้แลนะ้วนี่จะ ง, งุ่นอย่างเงี้ยนะแต่องค์ที่ต้มน้ําเขาเอากระปองน้ําไปซ่อนไว้ทั้งหลังที่อาบน้ำํำหลังที่กําบังไว้ ดั้นเขาก็หิวน้ำนะคือมาถวายท่านอพระมหาเีระก็เห็นมาดางนั้นท่านก็บอกท่านเนยท่านไม่ได้ทำอย่าไปบอกว่าท่านทําสิเพราะว่าการพูดเอาหน้าเข้าตัวเองเนี่ยมันไม่ดีนะมันไม่ถูกต้อง่ยผู้ใดทําก็ต้องผู้นั้นทำทางคาว่ า, าผู้ใดไม่ทําก็ไปเอาผลงานของคนอื่นเขาเนะี่ยมันไม่ถูกตามหลักธรรมนะคล้ายๆกับว่า มันหลบเลี่ยงตลบลีกไปในลักษณะโกโหกเสียมากกว่าท่านอย่าทําอย่างนี้ต่อไปมีอะไรองค์ไหนทำก็ตรงองค์นั้นถึงพระมหากัสปะท่านก็เป็นธรรมเนเป็นพระมหาเทระท่านก็สอนแต่พระ อ, องค์นี้โง่โกรธให้พระ อ, องค์นั้นอย่างมาแล้วยังโกรธให้พระมหาเทระอีกว่าพระมหาเทระเนี่เข้าข้างองค์นั้นทเลยมาดุเราอีกต่างหากแกเออผลที่สุด พระเีเรไปบินทบาทพระองค์นี่ก็โมโหโไฟเผาสาลาเลยไม่ใช่ธรรมดาได้พระในครั้งพุทธกาลนะพวกเราทั้งหลายฟังหน่อยสิถ้าเราได้ศึกษาในประไตรปิฎกเลยกิเลสในยุคนั้นกับกิเลสในยุคนี้มันเหมือนกันนะเดียวกันเลยได้แพ้กันเลยในความโมโหโอพอเผาไฟได้แต่ก็เปิดแหนบละหนีแต่องค์พระมหากระตปะในท่านก็อยู่อยู่ตามลาพัง องนั่นกันนี้องค์ที่ปฏิบัติท่านก็อยู่ต่อองค์ที่เผาแล้วกันหนีเน่ยแต่นี้ต่อมากันมีพระอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปกราบก่อนที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมเยียนพระเถระก่อนพระมหากัตปะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็เลยไปเยี่ยมเยียนเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ก็ถามว่าเอออยู่แถบนั้นเป็นไงได้ยินข่าวคัตปะไหมลูกของเรานะพวกเธอได้เห็นไหมเห็นอยู่พระเจ้าข่า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 ลูกศิษย์ของท่านกับกัจจป่าเนี่ยเป็นคู่อริสอนแล้วไม่ฟังมีอยู่พระสงฆ์กันเหล่านั้นเลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าค่าพวกท่านทั้งหลายจะฟังหรือเอาทางใจฟังในอดีตชาติมีนกขมิ้นคือนกตัวสีเหลืองมันทําลังอยู่ในต้นไม้ใหญ่และมีลิงก็โหนไม้มา มาเห็นนกขมิ้นนกขมิ้งก็อยู่ในหลังก็โผล่หัวออกไปบอกว่าลิงทําไมท่านก็ดูหน้าตาของท่านแก็เหมือนมนุษย์มนุษย์เขายังทําบ้านทําเรือนอยู่ได้ท่านมีแตหางท่านน่ะต่างจากมนุษย์แต่อย่างอื่นท่านเหมือนมนุษย์หมดแต่ท่านทําไมไม่ทําบ้านเรือนเหมือนมนุษย์บ้านเรือนของมนุษย์เขาอยู่เนะ่ยเขาอยู่แบบเขามีบ้านมีเรือนหลบแดดหลบฝนได้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 แกจะมาสอนอะไรกับเราเนี่ยเราจะไปขยี้เดี่ยวนี่แหละเพราะว่าถ้าจะลิงกระโดดเข้าไปจะขยี้นกนกขับบินออกจากหลังเลยขยี้ในตลังหลังแหลกเล้ยวไปหมดยโยนลงจากต้นไม้นี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยนั้นน่ะนกขมินน้นที่กัดส ป, ปะเนี่นยะลิงตัวนั้นก็คือพระภิกษุเกเรองนี่แหละสมัยนั้นก็เป็นลิงเกเร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 พาและชนไม่น่าจะทาความชั่วอย่างนั้นความชั่วจะทาเฉลยดีกว่าเมื่อทาไปแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเปี่ยบเทวาพระหานเนี่ยท่านรู้ได้ไหมว่าลูกศิษย์ทาอะไรทั้งที่ท่านพระมหา ก, กรตปาสกประเภทที่ว่าเตวิโชสละกิญโยปฏิสัมพิทัปปโต เป็นพระหานิสามจำพวกนั้นคือเป็นผู้มีอิทธิฤทธิตู้จักอดีตอนาคตรู้จักการดักใจทายใจแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินฟ้าได้คือพระหันเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตสามจำพวกแต่พระหรันสุขวิปัสโกเนรู้แต่ว่าตัวเองได้สําเร็จหมดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วจบไม่มีอิทธิฤทธิ์นี่แหละพระหรันในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธเจ้าไม่อยู่